ขณะ น, นี้เต็มไปด้วยมดแล ะ, ะแมลงตายกันขวักไขว่กลิ่นศพไม่ถึงกับฉุนเฉียวรุนแรงนักพอลมพัดถวนกันโชกก็มีแต่เพียงกลิ่นอับๆสางๆเท่านั้นดารินนาซีดกายสั่นน้อยๆหล่นตกใจอย่างกระทันหันเพราะมาพบเห็นข้าวโดยจู่โจมไม่ทันรู้ตัวเตรียมใจมาก่อนจับแขนชายยันไว้แน่นแทบจะไม่หายใจอดีตนายทหารปืนใหญ่กันเพื่อนสาให้ออกไปยืนอยู่ห่าง แล้วก้าวก็ไปพิจารณาดูโดยใกล้เคียงข้างแล้ินใีในพวกพานพวกนั้นหมายความว่ายังไงกันนี่ศพนี่ถูกอะไรกัดตายแล้วลากมากินที่นี่กัมมังชยยายันผู้แถบแผบพานใหญ่เดือบตาจ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้นครูใหญ่ก็สกิดให้ถอยห่างซากนั้นออกมาศพที่ถูกสัตว์ ร, ร้ายกัดตายโดยเจตนาจะกินเป็นอาหารไม่มีลักษณะอย่างนี้จอมพานกระซิบแผ่วต่า ปาดแขนขึ้นป้ายดิมฝิปากแล้วมองไปทางดารินผู้บัดนี้กำลังพยายามสะกดกั้นอารมณ์ลงให้เป็นปกติสังเกตไหมครับมันเป็นศพตายซากซึ่งคงคงจะตายมานานแล้วและที่มาหยุดตรงนี้คงเป็นพวกหมาป่าหรือหมาจิ้งจอกลากมาแทะบางทีผู้ชำนาญทางนิติเวชอย่างคุณหญิงอาจให้การสันนิษฐานได้ใกล้เคียงขึ้นอีกนักมนุษยศ า, า์ฝืนยิ้มสันนาช้ า, ชา ฉันคิดว่าฉันสันนิษฐานอะไรไม่ได้ดีไปกว่าคุณหอกรละพินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าแบบนี้ศพตายมานานแล้วจนแห้งเกราะมีแต่หนังหุ้มกระดูกมิหนับซ้ำยังมีรอยสัตว์แทะเนื้อแหว่งหายไปเกือบหมดผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชคนไหนก็ไม่มีทางบอกได้ว่าศพตายด้วยอะไรแต่เท่าที่ดูผ่าดานี่ฉันกะว่าตายมาประมาณเดือนเศษคนตายจะต้องเป็นคนผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่ก่อนแล้ว ถ้าไม่งานก็ควรจะขึ้นเอิด น, นาเฟเนื้อหนังหลุดไปหมดผมมีเหตุผลที่ยืนยันได้แน่นแฟ้นอีกข้อหนึ่งที่ว่าศพนี้จะต้องไม่ได้ถูกสัตว์ทําร้ายตําแหน่งที่เราพบศพนี้อยู่ใกล้หนองน้ําห่างไม่กี่ก้าวนี่เองและหนองน้ําแห่งนี้ก็ห่างจากหมู่บ้านออกไปไม่ไกลนักที่สําคัญที่สุดก็คือพวกกะเลี่ยมผู้เตยได้อาศัยน้นําในหนองนี้แห่งเดียวมาตักกันไปทุกวัน ถ้าคนในหมู่บ้านถูกสัตว์ร้ายกัดตายและลากมากินที่นี่พวกนั้นจะต้องค้นพบในทันทีไม่ปล่อยให้เป็นซากทุเรศอยู่ใกล้แห่งแหล่งน้ำกินอย่างนี้ก็แล้วพวกนั้นมาเอาน้ำในหนองนี้ทุกวันทำไมถึงไม่พบศพที่นอนอยู่นี่พรานใหญ่ศบตาเขาเสียงแผวรงอีกก็นั่นนะสิครับข้อนี้แหละที่ผมกำลังคิดทำไมคุณสงสัยว่าน้าในหนองนั้นจะไม่สะอาดพอใช่ไม ถึงได้ห้ามพวกนั้นไว้ดารินถามครับมีอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินโดยเหตุผลส่วนตัวของผมทำให้อยากจะเชื่อว่าน้ำในหนองนั้นถ้าจะไม่ได้การเสียจแล้วและเท่าที่เห็นอยู่แน่ๆนี้ก็คือถ้ามีซากตายอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแแล่งน้ำก็ไม่เป็นการเหมาะที่เราจะเสี่ยงใช้น้ำนั้นดื่มกินอยู่แล้วอย่างไรก็ตามอีกสักครู่ก็คงจะรู้กันออกไปแน่ชัดในปัญหาหน้าคิดทั้งหมดนี้ กลับไปที่พวกเราเถิดครับคุณชายตะโกนเรียกมานั่นแล้วประโยคสุดท้ายเขาพยักหน้าชวนนายจ้างทั้งสองแล้วโบกมือกับคนของเขาทั้งสี่ให้กลับเข้าไปรวมกับกองเกวียนเมื่อเห็นเช่ถาตะโกนถามโบกหวกมาหัวหน้าคณะเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะเห็นคนเหล่านั้นยืนมุงอะไรกันอยู่ชายยันอธิบายเช่าทราบในสิ่งที่พบเห็นและเหตุผลของรพินที่ไม่ต้องการให้ทุกคนในคณะใช้น้าในหนองนั้น ภายหลังจากสอบซักถึงเรื่องโศพที่พบและนิ่งคิดอย่างใคร่ครวญอ่านแววตาของละพินยอยู่ครู่อดีตทูตทหารบกก็บอกมาว่าถ้างั้นก็สั่งห้ามทุกคนเสียให้เด็ดขาดเลยน้ำที่เรามีสำรองอยู่พอเพียงสำหรับการหุงหาและดื่มกินไปจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เพียงแต่ต้องประหยัดกันหน่อยเท่านั้นว่าแต่เราจะตั้งแคมป์ที่ไหนทีแรกก็หวังจะมาอาศายัยหนองน้ำตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์เสียแล้ว มืดลงเต็มทีแล้วครับเห็นจะต้องพักกันที่นี่แหละเพียงแต่อย่าไปแตะต้องน้ำในหนองนั่นก็แล้วกันตกลงเอาตรงนี้ก็เอาหัวหน้าคณะพยักหน้ามาอย่างง่ายๆพรานใหญ่สั่งให้ปลดเกวียนตั้งแคมป์ขึ้นทันทีเรียกนายเมยหัวหน้าลูกหาบมากำชับสั่งความเรื่องน้ำพอกระโจมพักของนายจ้างขึงเสร็จข้าวกาลังตั้งอยู่บนกองไฟก็มือสนิทพอดีแล้วปินโผล่เข้ามาในกระโจม ผมจะเข้าไปดูที่หมู่บ้านสักประเดี๋ยวครับจะกลับมาทานอาหารข้าเขารายงานสีหน้าและแววตายัางเต็มไปด้วยริ้วรอยกังวลหรือครับอยูเช่นเดิมผมว่ารอให้ข้าวสุกกินข้าวเสียก่อนไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เชษฐาว่าระยะทางใกล้ๆแค่นี้เองครับผมอยากจะพบกับพวกในหมู่บ้านที่เร็วที่สุดมีอะไรหลายอย่างที่ทาให้ผมร้อนใจยังไงพี่กศพที่เราพบใกล้ๆนี้กำลัง ครับนี่ข้อหนึ่งละเชื่อถาพินิท ด, ดูอาการกระสับกระส่ายของเขาอย่างสกิดใจในบางสิ่งแล้วยิ้มขมขื่นพยักหน้างั้นก็ไปศิรพินถ้าพบผาเอิงชวนเข้ามาคุยกับเราที่นี่ด้วยก็ดีจอมผ่านรับคำก่อนที่เขาจะรับกายออกมาชา ย, ยันก็เรียกไว้เดี๋ยวผมไปกับคุณด้วยคนว่าแล้วก็ช่วยได้บราวนิ่งกึ่งอัตโนมัติบรรจุลูกสองห้านัดพร้อมไฟฉายไปจํามือกระโดดตามเขาออกมา เพียหันมายิ้มให้ผมว่าคุณชัยยันอยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าหรือครับคุณจะไปที่หมู่บ้านนั้นคนเดียวไม่ใช่หรือครับสองคนดีกว่าคนเดียวนักผจญภัยชาวกรุงบอกสั้นๆพรานใหญ่ไม่เอ่ยเช่นไรอีกตะโกนสั่งความกับคนของเขาสองสามประโยคแล้วเดินออกจากบริเวณที่ตั้งแคมป์ย้อนรอยทางเกวียนที่ผ่านเข้ามาทะลุออกทุ่งแฝกโดยมีชัยยันเดินเคียงไหลามาติดติด เปิดไฟฉายสองทางและ ก, กลาดอยู่ไปมาไม่นานนักทั้งสองก็พบตนเองเดินไปในระหว่างทางเตียนแคบๆที่ตัดเข้าสู่ดงไผ่ซึ่งหนทางนั้นเป็นรอยเดินของพวกกระเรียงผู้เตยที่ใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองเสียงหมาป่ายังคงหอนเยือกไม่ขาดระยะอยู่เช่นนั้นกอไผ่ถูกกลมพัดเสียสีกันดังเป็นสำเนียงประหลาดประานกแสกตัวหนึ่งส่งเสียงร้องแลม และโฉบถะราเป็นเงาดำตัดหน้าทั้งสองไปทำเอาชายยานสมบตออกมาปนหัวเราะเอบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดียังไงพิกลแฮมันไม่น่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านคนเลยนี่ระพินนี่ยังอยู่ห่างสักเท่าไหร่กว่าจะถึงใกล้ๆข้างหน้านี้เองครับไม่เกิน300เมตรเสียงระพินตอบมาความมืดทำให้ไม่เห็นสีหน้าของกันและกันใกล้แค่นี้เองทาไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย อย่างน้อยก็ควรจะเห็นแสงไฟบ้างนี่มันก็หัวค่ําอยู่แท้ๆช ย, ยันพึมพามเหมือนจะพูดกับตนเองรู้สึกหนาวเยือกเข้าไปถึงกู้หัวใจอย่างประหลาดกลางป่าทึบในเวลากลางคืนอันดึกสงัดเขาเคยเดินกับรพระพินในลักษณะเช่นนี้มาก่อนแล้วแต่ไม่เคยมีความรู้สึกสะท้อนสะท้านเหมือนคราวนี้เลยมันมาเกิดความกังวลวังเวงเปล่าเปลี่ยวอย่างไรบอกไม่ถูกทั้งๆ ท, ที่ควรจะอบอุ่นอย่างที่สุด เมื่อรู้อยู่ว่าหมู่บ้านโคนรอคอยอยู่เบื้องหน้าจอมพรานไม่ได้ตอบคําใดนอกจากหัวเราะตามลืกอยู่ในราคอชายยานรู้สึกว่าเสียงหัวเราะนั้นแป่งหูผิดไปกว่าเคยอย่างไรก็ตามมืออันอบอุ่นมั่นคงรอยมาจับแขนเขาไว้บีบเบาๆหนทางเดินแคบลักษณะเหมือนราห้วยนั้นคดเคี้ยวไปมาในระหว่างพุ่มไม้ทึบสลับกอไผ่สัญลักษณ์การอยู่อาศัยของมนุษย์อันเป็นสิ่งแรกที่เห็น ก็คือซ่าเกวียนหักคันหนึ่งทิ้งอยู่ริมทางผ่านนั้นถึงกระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเงียบเชียบไม่มีอะไรกระตกกระตากเลยนอกจากลมพัดกิ่งไผ่ไว้อยู่อดอแอดและใบไม้พลิกกระทบกันซึ่งฟังเสียงเหมือนมีคนมากระซิบกระซาบอยู่รอบๆกายขณะที่เดินผ่านไปบางทีก็เวลเหมือนเสียงผู้หญิงหัวเราะต่อกระซิบทันใดนั้นชายยันผู้เดินติดอยู่เบื้องหลังก็จุดแขนเขาไว้โดยแรง แล้วผนหันกลับมาเห็นอดีตนายทหารปืนใหญ่ส่องไฟฉายย้อนทางไปเบื้องหลังและกราดไปยังป่าไายลิมทางทั้งสองด้านอะไรหรือครับเขาถามเบาๆภายหลังจากส่องไฟค้นหาไปทั่วอยู่ครู่ชายยันก็ครางออกมาอืมแปลกจะว่าอุปทานก็ใช่ที่เมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงฝีตีนคนเดินตามหลังอยู่ตึ๊กๆึ๊กส่องไฟดูก็ไม่เห็นมีอะไร เป็นอย่างนี้มาสองสามครั้งแล้วบางทีก็เห็นเงาคนหลบวอบแฟบบอยู่ริมข้างทางข้างหน้าตอนที่คุณกาดไฟสองทางไปคุณไม่สังเกตเห็นบ้างหรอกหรือผมไม่เห็นมีอะไรอย่างที่คุณชี้ยันว่าเลยนี่ครับบางทีจะเป็นเงากิ่งไม้แล้วก็เสียงฝีเท้าของเราเองก็ได้นักประจนผภัยชาวกรุงผิวป่าออมาเบาๆยกมือขึ้นแค่หูแดงๆแล้วพยักหน้าพูดพร่างหัวเราะถ้างั้นก็เดินต่อไป แต่บอกตามตรงผมรู้สึกว่ามันไม่สู้จะชอบกลจแล้วไม่เพียงแต่ชายันเท่านั้นแม้ระพินภัยวันเองยามนี้ก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันประสาทสัมผัสมันเตือนให้ทราบชัดว่าเขาไม่ได้เดินใกล้หมู่บ้านของมนุษย์เข้ามาเลยแม้จะรู้อยู่ว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกะเหลียงพูดเตยที่เขาเคยผ่านไปมาอยู่บ่อยครั้งจนเรียกว่าคุ้นเคยลมเย็นเฉียบกรูกรยสวนทางเข้ามา กลิ่นสางๆอันเป็นกลิ่นเดียวกับศพตายซากที่พบเหนือหนองน้ำฉุนกึกอบอวนเข้ามาแตะจมูกอย่างแรงวูบเดียวมันก็หายไปชายยันทำจมูกฟุดฟิตพยายามจะสูดค้นหาไม่ปิิ ป, ปากพูดคำใดนอกจากจะสะ ก, กิดหลังเขาแรงๆเหมือนจะเตือนบอกโดยอาการอึดใจของการเดินรุดหน้าโดยไม่พูดอะไรกันอีกเลยนั้นหนทางก็มาสิ้นสุดเอาที่ลานในเนื้อที่กว้างประมาณสี่ไร่ สุกซ่อนมืดสนิทอยู่ในวงร้อมของถิวภัยปากทางเป็นตะเคียนใหญ่คู่หนึ่งยืนตระงานสูงชะรูดประหนึ่งเสาประตูทางเข้าไฟฉายทั้งสองรำกาศสว่างจ้าออกไปภาพที่เห็นก็คือเรือนกระเลียงที่ปลูกเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มอย่างไม่มีระเบียบนักประมาณสิบหลังคาเรือนกลางลานมีโอ่ไหายล้มกลิ้งอยู่อย่างประจ่ากการเอาใจใส่กระชุมไม้ไผ่และเสือที่สารด้วยตอกหนะ่ะ คล้ายจำัวนพันอะไรไว้ข้างในเกะ ก, กะอยู่ตามต้ถุนเดือนและบนแคร่ยกพื้นรอบรอบลานบางเรือนยังทรงสภาพอันสมบูรณ์บางเรือนก็โยเยแต่แขงสุดลมข้าพัดหลังคาแฝกและฝาขัดแตกไวเพรเ ย, พยพ่เพรียบปรากฏเสียงแสกสากวิเวกใจมองเข้าไปแปลกเดียวสามันวินิจฉัยก็บอกได้ในทันทีว่าไม่มีมนุษย์คนใดยอยู่ในหมู่บ้านนี้ นอกจากความรกร้างว่างเปล่าอันเห็นสยองทั้งสองหยุดชะงักอยู่ที่ปากทางเข้าสุรา น, นั้นกาดไฟฉายส่องสำรวจไปรอบด้านอย่างระมัดระวังนรกจกเปรตนี่มันหมู่บ้านร้างเสียงกระซิบดังมาจากชายยันห่อไหลลงบังเกิดความหนาวสถานขึ้นมาในบัดนั้นพรานใหญ่ป้องปาตะโกนเรียกนามผาเอออันเป็นนายบ้านผู้คุ้นเคยชอบพอกับเขาดังลั่นเข้าไปสองครั้ง เสียงของเขาสะท้อนก้องไปในความเงียบสงัดนั้นไม่มีสัพพะสัมเนียงของมนุษย์ใดๆตอบออกมาทั้งสิ้นนอกจากเสียงร้องแหลมยังตกใจของนกคูกที่ทลาบินพื่อภา พ, พออกมาจากชายคาของเรือนหลังหนึ่งทั้งสองหันมามองดูหน้ากันอีกครั้งผมสังหรแล้วไม่มีผิดพรานใหญ่ยกมือขึ้นรูปใบหน้าเม้มริมฝีปากมันร้างเสียแล้วนะครับชายยานตบหลังเขามาหนัก พรางพยักหน้าพูดอย่างห้าวหาญตามนิสัยไปและพินไหนไหเราก็เข้ามาถึงแล้วเข้าไปดูเสียให้รู้ชัดเลยบางทีเราอาจพบหลักฐานต้นเหตุว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปจอมพรานชำเรืองมอดูสหายร่วมทางของเขาอย่างนิยมในความกล้าไม่กล่าวคำใดอีกส่องไฟออกเดินนำหน้าตรงเข้าไปอย่างเตรียมพร้อมชายยันก็สืบท้าตามหลังมาติดติดมือกระชับปืนโดยไม่ประมาท ลำไฟของพรานใหญ่ส่องจับนิ่งไปที่ม้วนเสือตอกอันหนึ่งซึ่งกองอยู่บนแคร่กลางลานใต้ต้นพิกลอยสงสงสัยในรูปร่างลักษณะของมันพอใกล้ก็มาปิ่นสาบสารก็ยิ่งโฉยรุนแรงขึ้นก่อนที่เขาจะก้าวก็มาถึงชายยันก็ใช้ปากกระบอกปืนกระทุ้งไปที่ม้วนเสือผืนนั้นมันกลิ่งขยายตัวออกแล้วหล่นตุบลงไปกับพื้นเฮ้ยศพอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องลัน่นออกมาอย่างลืมตัว ยืนตะลึงเบิกตาโพร่ขนลุกชันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกอสุพะศพซากหนึ่งถูกคอไว้ภายใต้ม้วนเสือต่อที่กระจายออกพื้นนั้นส่งกลิ่นฉุนตลบรุนแรงขึ้นในฉับพลันเมื่อสิ่งที่ปกคลุมหุ้มอยู่ใต้ได้ถูกเปิดออกลักษณะเหมือนคางคกตายซากเพราะความผอมแหง้งความสะเทือนที่กิ่งหล่นลงมาจากแคร่ทําให้ส่วนศรีรษะอันหน่าเกลียดหน้ากลัวนั้นหลุดออกจากบ่าเพราะความผุเปื่อย กลิ่งครุกคุกข่างตัวไปสองสาสศอกภาพอัญชวนสยองขวัญ น, นี้ปรกากฏชัดอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้จากรำปีฉาที่ศาสจับมาทั้งสองท่อนลมเย็นเริ่มพัดกระโชกมาเป็นระรอกเสียงของขาแฝกไว้ตัวกระทบกันดังกรูกลียวพื่อผับอยู่ทั่วไปตับแฝกบางอันหลุดจับที่มุงไว้ปิวโครมคลามลงมายัางพื้นเบื้องล่างจะกล้าหาญชาญชายสักเพียงใดก็ตาม ในภาวะเช่นนี้ชยันความรู้สึกเหมือนกับศีรษะของเขาจะขยายโตขึ้นจากเดิมสักสามเท่าพยายามยืนสงบจิตคมสติลงให้เป็นปกติหันไปมองดูรพินไพยวันเห็นร่างนั้นยืนนิ่งสนิทราวกับสาวหินอันมั่นคงไม่มีอาการสะทานสะเทือนใดๆทั้งสิ้นช่วยทำให้นักผจนภายชาวกรุงใจชื้นขึ้นแน่ระถ้าผานใหญ่สแดงอาการขวัญเสียใดๆขึ้นมาเพียงนิดเดียว ชายยันก็ไม่รับรองกับตนเองว่าเขาจะไม่พลอยเสียขวัญไปด้วยหรือไม่ระหว่างที่ชายยันยั ง, งยืนขนลุกสู้ๆอยู่นั้นแล้วผนกาดไฟเป็นในมือไปยังมวนเสือต่อที่กิ้งอยู่เกะ ก, กะเป็นแห่งๆรอบด้านแล้วเหนียวแขนอดีตนายทหารปืนใหญ่ให้ก้าวหลบขึ้นไปอยู่เหนือทางลมของซากที่กําลังส่งกลิ่นชวนคลื่นเหียนนั้นที่เห็นม้วนเสือกองอยู่เพ่นพ่านนั้นก็เห็นจะไม่มีปัญหาหรอกครับศพทั้งนั้น เขาก็ซิบแผบๆอะไรกันนี่มันหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้หรือถึงได้ตายกันเกลื่อนกาดทิ้งศพไว้ในสภาพผิดวิสัยอย่างนี้สหายร่วมทางของเขาเอ่ยออกมาอย่างลำบากยากเย็นบังคับหางเสียงไม่ให้สัน่นพรานใหญ่กัดริมฝีปากลักษณะที่เราเห็นอยู่นี่มันพอจะบอกได้ชัดเลยว่าอะไรเป็นอะไรพวกโจรเข้าปล้นฆ่าตายทั้งหมู่บ้าน ไม่ใช่หรอกครับถ้าเป็นการตายธรรมดาหรือถูกฆ่าตายพวกกะเหรี่ยงจะไม่ปล่อยทิ้งศพไว้อย่างนั้นพวกเขาจะต้องฝังและโจรที่ฆ่าพวกในหมู่บ้านนี้ตายอย่างกุชยยันว่าธุระอะไรจะต้องหอ่อศพไว้ด้วยล่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีเลยแล้วอะไรกันล่ะนี่โรคระบาดร้ายแรงครับถ้าไม่ใข้ทรารพิษก็อหิวาหรืออย่างที่พื้นบ้านเรียกว่าหาลง คงจะมีการตายกันอย่างกระทนหันและมากที่สุดส่วนที่เหลือก็ผลัหนีอพยพหนีทิ้งถิ่นไปเลยศพจึงถูกทิ้งเกลื่อนโดยไม่มีการจัดการอย่างนี้พวกนี้กลัวโรคหาลงมากเขาเชื่อว่าเป็นการกระทาของผู้ผีปีศาจถ้าลงหมู่บ้านไหนเกิดโรคติดต่อร้ายแรงล้มตายกันมากก็มักจะเปิดหนีกันไปหมดแบบนี้ไม่มีใครรู้อยู่จัดการกับศพนอกจากจะปล่อยทิ้งไว้ เสียงชา ย, ยานคลางอะไร อ, ออกมาด้วยความอเนจอนาถและคนขนพองสยองกล้าแล้วผิวกาดไชิชายไปรอบๆ อ, อีกครั้งและบอกต่อมาว่าผมจะเดินขึ้นไปดูที่เรือนของผาเอิงสักหน่อยคุณชา ย, ยานรออยู่ตรงนี้ก็ได้ครับไปด้วยกันชา ย, ยานันพูดสั้นๆทั้งสองเคลื่อนออกจากที่เดินตัดลานตรงเข้าไปที่เรือนใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งเป็นประฐานอยู่ในระหว่างเรือนเล็กที่รายล้อมระหว่างที่ผ่านใกล้เข้ามา กลิ่นเหม็นเน่าและเหยคลุ้งแทบจะทนไม่ไหวเสียงหมาป่าดูคล้ายๆจะมาหอนกันอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านร้างใกล้ๆออกไปนี่เองลมยิ่งพัดดุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่และเรือนเหล่านั้นโยกไหวอยู่ อ, อดแอดราวกับมีใครมาขยม่มชัยยันรู้สึกตะขั้นตะค อ, อย่างบอกไม่ถูกแต่แข็งใจเดินตามหลังพรานใหญ่เข้าไปที่หัวปันไดเดือนสูงลูกปัไดทได้ไม้กลมทั้งท่อนแล้วพินหยุดชะงักลงอีกครั้ง ขาดไฟส่องขึ้นก่อนบนชาญเรือนว่างเปล่าป่าจากสิ่งมีวิญญาณใดๆทั้งสิ้นนอกจากเศษผ้าะกะเก่าสีดำคล้ำกองอยู่เขาส่องสำรวจดูทุกมุมบ้านในขณะที่ชายยานยืนเงียบกริบอยู่เบื้องหลังอึดใจหนึ่งก็เหวี่ยงไรเฟิลขึ้นสะพายไหล่คงถือไว้แต่ไฟฉายเอื้อมมือจากลูกบันไดขยับจะตายขึ้นไปทันใดนั้นเองเสียงแหบๆต่าร่าเสียงหนึ่ง ก็ลอยแววออกมาจากความมืดอันคลุมเครือของห้องข้างในเบาเมันเป็นเสียงเหมือนคนร้องขวัญคลาใกล้จะตายกระแสเสียงนั้นแทรกลึกเข้าไปจนถึงไขสันหลังทำให้ชายยันถึงกับชาดิกไปทั้งกายรพบบินเองก็ชะงักไปอีกครั้งแต่แขงหูมันเงียบหายไปอย่างลึกลับครั้นแล้วอีกอึดใจก็มีเสียงประหนึ่งคนกระซิบพูดกันในความมืดฟากล้านไว้เอียดเบาๆชายยันขบฟันแน่น พยายามควบคุมสติมั่นปลดเซฟปืนถือในท่าเตรียมพร้อมแต่ก็เห็นพรานใหญ่คงอยู่ในอาการปกติเขออย่าลูกบันไดเบาๆสอบความมั่นคงจากนั้นกค่อยๆตายขึ้นไปอดีตนายทหารปืนใหญ่อ้าปากเหมือนจะร้องห้ามไม่ให้เขาขึ้นไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆรุดรอดจากลำคออันแห้งผากในขณะนี้ออกมาได้เขายืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ก้าวตามและพินขึ้นไปด้วยแต่ไฟฉายและปืนพร้อม ยอมพรานเดินหายขึ้นไปอือใจใหญ่ก็โผล่กลับออกมาสีหน้าอยู่ในอาการสยองสังเวทใจตายบรรไดลงมาบอกเรียบเรียบเราไปกันเถอะครับชายันกระเดือกน้ำลายลงคอจ้องเขาเหมือนจะถามแต่พรานใหญ่ไม่พูดอะไรคว้าแขนได้นำเดินฝ่ากระแสลมที่พัดอยู่ตลบเป็นผงคลีขณะ น, นี้ย้อนกลับออกมาอย่างปากทางตำแหน่งตะเคียนคู่แล้วสูดลมหายใจเขาเต็มปอดเมื่อพลจากกลิ่นศพ วักบุหรี่ออกมาจุดสูงเมื่อ น, นั้นชัยยันก็มีเสียงหลุดรอดลิมนศีปากออกมาได้ว่าไงพบอะไรบ้างวันนั้นศพที่ขึ้นจนโซมแล้วสี่ศพผาเอิงกับครอบครัวของเขาผมจำหน้าใครไม่ได้เลยกระดูกมากกว่าเนื้อแต่มันเป็นเรือนของผาเอิงชายยันหันไปจ้องภาพหมู่บ้านร้างนั้นอีกครั้ง ความรู้สึกของเขาอย่ามนี้อยากจะกระโจนออกไปให้เร็วที่สุดบ่ายหน้ากับค่ายพักลิมนฝีปากหมุบมิบแล้วเสียงกระซิบก็ดังออกมาเบาที่สุดระพินผมสาบานได้ว่าก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นไปบนเรือนหลังนั้นผมได้ยินเสียงคนคลางเสียงซุบซิบพูดกันคุณไม่ได้ยินหรอกหรือผมเห็นคุณเงี่ยหูฟังอยู่เหมือนกันก็เห็นยิ้มขึ้นขึปรากฏขึ้นที่ใบหน้าเคร่งเครียดนั้น มืออบอุ่นเอื้อมมาตบที่ไหล่เขาได้ยินครับแต่อย่าสงสัยอะไรไปเลยเสียงที่เหมือนคนครางเป็นเสียงของนกถือถือที่เกาะ อ, อยู่บนไม้ข้าวในห้องเชิญเสียงคล้ายคนกระซิบเป็นเสียงหนูผีตัวเกือบเท่าแมวมันกำลังช่วยกันแทะซากอยู่ไปให้พ้นจากหมู่บ้านผีดิบนี่เสียโดยเร็วเถอะผมรู้สึกว่าจะไม่สู้ปกติเสียแล้วชายยานระเบิดออกมาอย่างสาลัก ทั้งสองเริ่มออกเดินย้อนกลับออกมาจากเกา่ากลิ่นเหม็นสางคงติดตามมาเป็นครั้งคราวที่ลมหอบและค่อยๆจางลงเป็นลําดับเมื่อห่างไกลออกมาลมที่พัดกระโชกอย่างรุนแรงทําท่าเหมือนจะเป็นพายุขณะที่ทั้งสองเข้าไปเดินสำรวจ อ, อยู่ในหมู่บ้านก็กลับเป็นปกติลงตามเดิมพอพ้นปากทางทะลุลงสู่ทุ่งแฝกอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ถอนใจเฮือกออกมาหันกลับไปส่องไฟย้อนปากทางอีกครั้ง คล้ายๆจะสำรวจดูว่ามีอะไรตามมาเบื้องหลังหรือเปล่าสวรรค์ทรงโปรดเขาร้องครางเป็นความรอบคอบของคุณหรือเกินผู้กองที่ไหวทานสั่งห้ามไม่ให้พวกเราใช้น้ำในหนองนั่นได้ทันการไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรหรือที่คุณเฉลียวคิดได้ล่วงหน้าจำได้ไหมครับก่อนที่จะลงทุ่งแฝกล้วผ่านไร่ล้างอีกฝ่ายก้มศรีรษะรับจ้องตาเขาไม่กระพริบ แล้วพินโอบไหลชา ย, ยานเดินเคียงกันมาผมสังหรณ์ใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพวกกระเรี่ยงผู้เตยจะต้องไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วไม่งั้นทําไมถึงต่อให้ไล่ลกรกล้างว่างเปล่าอย่างนี้ครั้งแรกผมคิดว่าพวกเขาย้ายถิ่นเพราะไอ้แหว่งรังควานแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของช้างเข้ามารบกวนอะไรเลยต่อมาขณะที่ผ่านปากทางผมก็ได้กลิ่นไม่ดีนักมันเป็นกลิ่นซ่าเก่าๆพอไปถึงหนองน้ําผมเริ่มสำรวจรอบๆ ก็ไปพบซากศพที่เราเห็นกันนั่นคุณเชยันนึกออกหรื อ, อยังครับทําไมซากนั้นถึงไปอยู่ที่นั่นเป็นซากของผู้ที่ตายอยู่ในหมู่บ้านแล้วสัตว์มันฆ่ามากินกระมังครับถูกต้องและอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าศพธรรมดาที่ตายลงไม่ว่าจะเนื่องมาจากอะไรพวกนี้จะต้องฝังไม่ปล่อยให้ศพถูกฆ่าเพี้ยนท่าอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆ ก, กับหมู่บ้านที่อาศัยเสียด้วย ปัญหาที่ว่าเหตุไรพวกในหมู่บ้านซึ่งมาใช้น้ำที่หนองทุกวันจึงไม่พบเห็นศพนี้ทำให้ผมรู้สึกไม่ชอบกลนขึ้นก็เลยตามมาดูเสียให้หายสงสัยนี่แหละและเราก็เห็นประจักตากันออกไปแล้วน้ำในหนองน่าจะเป็นพิษจะมีเชื้อโรคหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นน้ำที่พวกในหมู่บ้านซึ่งตายยับเยินด้วยโรคระบาดใช้ดื่มกินกันถ้าเราขืนล่อเข้าไปก็เดือดร้อนแน่ ชา ย, ยันทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ลืมตากว้างขย่าแขนแล้พินโดยแรงพูดระล่ามลักผมนึกออกแล้วอะไรหรือครับเมื่อตอนที่เราผ่านปากทางเข้าหมู่บ้านผมเช็ดถาได้น้อยยังพูดกันถึงเรื่องไร่ล้างและเราก็สังเกตเห็นอาการไม่สบายใจของคุณอยู่เหมือนกันแต่และอะไรเช่นนิดหนึ่งทําให้เราโล่งอกและไม่เกิดความระแวงใดๆขึ้นมาเลยว่า หมู่บ้านจะกลายเป็นหมู่บ้านผีดิบไปหมดพลานใหญ่ขมวดคิ้วมาจ้องหน้าอันตื่นเต้นกระหืดกระหอบของชายยันผมไม่เข้าใจคุณชายยันหมายถึงอย่งไงผมได้ยินเสียงคนพูดกันแววๆดังมาจากดงไผ่เสียงกระบอกไม้ไผ่แกว่งกระทบกันแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือเสียงตำข้าวมันบอกชัดอยู่ทนโทษว่ามีหมู่บ้านผู้คนอยู่ใกล้ๆตอนนั้นตะวันยังไม่ทันตกดินเลย ให้ตายดับไปเดี๋ยวนี้แหละผมได้ยินกระผูจริงๆเสียงของชยันหนักแน่นจริงๆยืนยันมาอีกฝ่ายสั่นศรีรสะหูฝาดนะครับมันจะมีเสียงเหล่านั้นได้อย่างไรในเมื่อคุณชยันก็เห็นชัดกับตาเมื่อตะกี้นี้แล้วว่ามันเป็นหมู่บ้านร้างมีแต่ศพประเดี๋ยวคุณกลับไปถามเชี่ยถากน้อยได้เลยว่าได้ยินเสียงอย่างว่านี่ไหมธรรมดาคนเราหูฝาดมันคงไม่ฝาดไปพร้อมๆกันหรอก แต่ผมรับรองว่าผมไม่ได้ยินเสียงอย่างที่ว่านี่เลยได้ยินแต่เสียงลมพัดกิ่งภผ่เสียดสีกันอันเป็นธรรมดาของป่าภายัยแล้วก็ได้กลิ่นศพเสียงชยยานสะบดอะไรออกมาคาหนึ่งแล้วหัวเราะออกมาแหบแห้งโชคดีเหลือเกินที่คนคุณเป็นคนมีสติมั่นคงและเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดผมบอกตามตรงสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ถ้าเป็นลาพังผมเองไม่มีคุณอยู่ด้วย ปานี้วิ่งป่าแตกไปแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนผ่านโลกมาหลายซีกแล้วก็เพิ่งจะมาเจอเอาเหมาะเหมาะคลาวท่องป่ากับคุณนี่แหละเสียงหัวเราะจากกระพินช่วยปลอบความของเขาให้ดีขึ้นเพราะมันเป็นอาการหัวเราะ อ, อย่างขบขันเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตรงกันข้ามสําหรับผมเห็นว่าคุณชายันเป็นคนมีสติดีที่สุดกล้าหาญแล้วก็มีเหตุผลไม่ได้พูดเพื่อยอหรือปรับใจอะไรเลยบุกบันด้วยกันมาถึงเพียงนี้ทําไมถึงจะไม่รู้ ขอบคุณมากผู้กองที่พยายามให้กำลังใจผมอีตอนเดินเข้าไปเห็นศพแรกในหมู่บ้านนั่นผมจะเห็นตั้งหลายครั้งแล้วถ้าคุณขยับตัวนิดเดียวรับรองว่าผมเป็นโกยแนบแล้วทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกันลั่นทุ่งอย่าลืมเสียสิครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสติและกำลังใจเท่านั้นมีอยู่สองสิ่งนี้เท่านั้นถึงไหนถึงกันผมก็ต้องถือว่าโชคดีเหมือนกันที่คุณชา ย, ยันกำลังใจดี ถ้าตอนที่เราบุกขึ้นไปบนบ้านหาเอิงนั่นคุนชยัยยานเสียขวัญเสียคนเดียวผมเองก็เห็นจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันดีไม่ดีพากันวิ่งสับสุดผมกะแล้วอะไรมันไม่ชอบมาพากนเป็นได้ซัดแหลกแล้วค่อยวิ่งกันทีหลังและพินและชัยยานเดินย่าไปในทุ่งแฝกคุยกันไปพรางเวลาผ่านไปตามลําดับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเพิ่มขึ้นทุกขณะเสียงของพินเงียบหายไป บาไฟไป ร, บรอบๆเมื่อบ่ายหน้าเข้ามาชิดชายป่าตอนหนึ่งชายยันก็เริ่มจะรู้สึกตัวเอะใจขึ้นในบาดนั้นขามาครั้งแรกเขากายระยะไว้ว่าจากบริเวณที่ตั้งแคมป์จนถึงหมู่บ้านร้างมันใช้เวลาเดินเพียงสิบกวนาทีเท่านั้นแต่ในเที่ยวกลับนี่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเข้ามาแล้วยังมองไม่เห็นบี้แววตัดทุ่งแฝกทะลุเข้าป่าแดงอันเป็นทางที่ตั้งแคมป์ในความมืดและเงียบนั้น เขาเห็นจอมพรานหยุดยืนนิ่งกลิ่นสาบสางโชยกลุ่นมาอีกหมาหอนวิเว่กรอบด้านไปหมดนักประจนภัยชาวกรุงศาสตร์วิชายสำรวจเบื้องหน้าออกไปพอมอเห็นภูมิประเทศได้ถนัดเขารู้สึกเย็นตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเท้าเบื้องหน้าของทั้งสองขณะนี้คือปากทางลิมป่าไผ่ด้านที่จะนำเข้าไปในหมู่บ้านร้างนั่นเองนี่เรากำลังจะบ่ายหน้ากลับแคมป์ไม่ใช่หรือเขาร้องลั่นออกมา ครับแล้วอะไรกันนี่เดินไปเดินมาทําไมถึงหวนมาเจอปากทางที่เราออกมาแล้วนี่เข้าอีกผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันครับฮาเอาเข้าแล้วระพินเจอดีเข้าให้แล้วเป็นความผิดของผมเองครับที่พาหลงย้อนกลับมาที่นี่อีกใจเย็นๆไหมครับรับรองว่าอีทีนี้ไม่หลงแน่เสียงรพินเอ่ยมาปนหัวเราะแต่ชัยยันย่อมรู้ทันว่า นั่นเป็นการพูดกลบทเือนเพื่อปลุกปลอบเขาเมื่อผมมีคุณอยู่ด้วยอย่างนี้ผมไม่แคร์อะไรหลอกแต่คิดว่าสหายผาเอิงของคุณเล่นไม่สวยเสร็จแล้วเสียแรงเป็นเกิอกันและพินไยวานเดินป่าระยะทางห่างแค่ไม่ถึงสองกิโลเมตรแล้วหลงมันเป็นสิ่งที่เชื่อไปไม่ได้เอาละึะเดินย้อนกลับไปที่หมู่บ้านนั่นถวายพระเพลิงเสียเถอะเสียเวลาครับ ป่านนี้คุณชายกับคุณหญิงรอแย่แล้วจอมพลานตอบมาด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ชายยนสังเกตเห็นเขาชักมีดโบวีออกมาจากเอวยืนสงบนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งมืออีกข้างลูบอยู่ที่คมมีดโบวีนั้นโดยสาวจากโคลนไปหาปลายสามครั้งแล้วยกขึ้นกระ น, นำฟันกิ่งไม้ที่ทอดขวางหน้าขาสบั้นออกจากนั้นก็เกิดยีดเข้าฝังตามเดิมฮันกลับมาพยักหน้ายิ้มให้ ไปครับถ้าคราวนี้กลับไม่ถึงแคมป์อีกคนที่เดินอยู่กับคุณชายยันนี่ก็ไม่ใช่รัพินภัยวันแล้วเพียงสิบนาทีหลังจากนั้นขเขาก็นําชัยยันกลับเข้ามาถึงที่ตั้งแคมป์ลาจะสะกุลสองพี่น้องกําลังรอคอยทั้งสองอยู่ด้วยความกระวนกังวายอาหารตั้งเตรียมพร้อมไว้แล้วบนโต๊ะสนามครั้นแล้วก่อนที่ดาลินจะระเบิดความพิสวงร้อนใจออกมาทั้งคู่ก็โผล่เข้ามาในกระโจม ชายยันไม่เอ่ยคำใดกับใครทั้งสิ้นพอมาถึงก็คว้าบรั่นดีทั้งขวดใหญ่ลินออกใส่ฝ่ามือยกขึ้นรูปล้างหน้าแล้วเท อ, อักเข้าปากราวกับน้ำเปล่าซุด ต, ตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งส่วนรับยเพเดินเข้ามาในอาการปกติวางไรเฟิลกับไฟฉายลงสองพี่น้องสังเกตดูสีหน้าของคนทั้งสองด้วยความประหลาดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยยันผู้มีใบหน้าอันเผือดขาวท่าทางลุกลนผิดสังเกตไป ว่ายังไงเพราะาเอิงหรือเปล่าหัวหน้าคณะถามขึ้นรวมๆและพินยืนอึง้งมองสบตาชายยันต่างคนต่างพูดไม่ออกไปชั่วขณะเชื่อถากับดาลินยิ่งประดาาใจเพิ่มขึ้นในอาการแปลกๆของคนทั้งสองถามซ้ำมาอีกชายยันจึงพยักหน้ากับพรานใหญ่บอกเสียงแห่แพ้งคุณบอกเขาทีเถอะผมขอพักสงบสติอารมณ์สักเดียวไม่พบหรอกครับ หมู่บ้านนั้นไม่มีคนอยู่เสียแล้วเป็นหมู่บ้านร้าง